ญ<ส>าณในอนุปภาพวิหารสมาบัติ9นะครับคือสมาบัติที่จะต้องพึงเข้าตามลําดับเนี่ยนะญาณที่ยังรู้ถึงอนุปภาพวิหารสมาบัตินะครับคือคําว่าอนุปภาพสมาวิหารสมาบัติ เ, อเอนี่ยหมายถึงสมาบัติที่จะต้องเข้าโดยลําดับแต่นี้เน้นไปที่ญาณที่ไปรู้สิส่งนั้นนะไม่ได้เน้นอนุปภาพวิหารสมาบัติแต่เน้นถึงญาณที่ไปรู้อนุปภาพวิหารสมาบัตินะครับ อันหนึ่งยานของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในอนุปุพพาวิหารสมาบัติโดยอาจะนะคำว่าอนุปุพพวิหารสมาบัตินี้โดยอาจว่าพึงเจริญและโดยอาจว่าพึงเข้าตามลําดับเหล่านั้นนะอย่างเช่นข้อความในคมภีร์วิพังในข้อแปดร้ยสาสิบแปดกล่าวว่าปัญญาในอนุปุพพวิหารสมาบัติก้าวเป็นไงนะปัญญาในปฐมฌานสมาบัติปัญญาในทุติยะฌานสมาบัติปัญญาใน ตัติยชาสมาบัติปัญญาในจตุทชานสมาบัติปัญญาในอากาสานัญจายตนะสมาบัติปัญญาในวิญญาณัญจายตนะสมาบัติปัญญาในอากินัญญายตนะสมาบัติปัญญาในเนวสัญญาณาสัญญายตนะสมาบัติแล้วก็ปัจเจกขณะยานคือยานที่ไปพิจารณาของพระโยคาวจรบุคคลผู้ออกจากสัญญาเวทายตานิโรธคือออกจาก การดับสัญญาและเวทนาแล้วเมื่อออกแล้วก็พิจารณานะเรียกว่าปัจเวกัญาาเหล่านี้ชื่อว่าปัญญาในอนุปภาพวิหารสมาบัติ9ด้วยประการชนีนะครับด้วยอํานาจการให้สําเร็จนะพระองค์เนี่ยนะสมาบัติแต่ละอย่างพระองค์ก็ทำให้สําเร็จด้วยและการพิจารณาเป็นต้นด้วยและก็ด้วยการประกอบอัน ประกอบการตามควรชื่อว่าทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็นอย่างอื่นเพราะสำเร็จประโยชน์แต่ยานนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นยานกลุ่มหมวด9ที่พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดนะครับคื อ, อยานในอนุปภาพวิหารสมาบัติ9ขออนุาครับในลองยกตัวอย่างอธิบายไอ้ข้อแรกเนี่ยปัญญาในปฐมฌาน คำว่าปัญญาในปฐมฌานเนี่ยหมายความว่าปัญญาที่เข้าปฐมฌานแล้วก็ออกจากปฐมฌานพิจารณาฌานนั้นก่อนแล้วเข้าทุติยฌานเมื่อเข้าทุติยฌานแล้วก็พิจารณาทุติยฌานแล้วเข้าตาติยฌานออกจากตติยฌานก็พิจารณาตาติยฌานแล้วก็เข้าเจตุทะฌานเขจะทําลําดับไปอย่างนี้เรื่อยๆอันเนี้ยปัญญาแบบนี้เรียกว่าปัญญาในอนุปภาพวิหารสมาบัติ9นะครับผมก็กล่าวตามนะครับในยะนี้ผมก็มึด Thank y o